ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> วันนี้ของพพกัมันดาญาโยุพุทธบริษัท <c oughs> เรื่องราวของวิทุรบรัฑิตต่อไปเป็นที่น่าชื่นดายที่วันก่อนพญานาคถามแต่ว่าท่านวิทุรบรัฑิตไม่ทันตอบวันนี้ก็ขอย้อนคำถามสักนิดหนึ่ง <c oughs> เพื่อเรื่องต่อกัน ท่านยานหนท่านมีความพอพระทัยมากได้ทัดถามต่อบไปว่าดูก่อนท่านบัณฑิตปุณณ ก, กยักษ์จับตัวท่านมาเนี่ยจับมาได้ยังไง <c oughs> ถ้าไปดูลบัณฑิตจึงได้ถาวายพรได้กราบทูลว่าปุณณ ก, กยักษ์ได้เข้าพระเจ้ามาด้วยการเล่นสกาเพือเล่นสกาพานันข้าพระเจ้าเป็นฆ่าพานันที่พระเจ้าทนา น, นชัยโกรพยะ มอบมาตามข้อตกลงพระเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นอนุนวัตพยานนาคได้รับสั่งให้นางวิมาลาออะไรเนี่ยพยานนาคได้รับสั่งให้นางวิมาลามาเเรียกนางวิมาลามาแล้นางวิลาวิมาลาก็พอได้ทอดระเนตห็นมิโทรบัณฑิตก็ประคองอัญเชลีขึ้นแล้วก็ตัดถามว่า <c oughs> นี่ไหวเลยนะพาดูก่อนถ้ามันดิตท่านกําลังตกอยู่ในมรณภายัยเช่นนี้เหตุไหนท่านยิ่งไม่สลดใจเสียเลยคนที่ตกเป็นเช่นนี้ เ, เขาย่อมเศร้าเศร้าโศกนะและก็หมดรังรัศมีแต่ว่าท่านดูเหมือนว่าไม่เป็นเช่นนั้นเสนเลยท่านมีดีอะไรหรือแน่ เมือนี้มีแต่ปัญหาเรื่องนี้มีแตป่นะตปัญหาเรื่อยๆโอ้หน้าฟังเอ <c oughs> อาจามาเป็นคนพูด <c oughs> อาจามาเป็นคนพูดบอกว่าหน้าฟังแต่ว่าโยมผู้ฟังลำคัญแลวเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> แต่มีทุระ บ, บัณฑิตท่านีังตอบว่าคนไม่เคยทำความชั่วย่อมไม่กลัวตาย คือจะตายเมื่อไรก็ตายได้ในเวลาที่เข้าที่ขับขันข้าพเจ้าก็ยิ่งมีสติปัญญาฉับไวขึ้นข้าพเจ้ามีปัญญาเป็นของดีอยู่พระเจ้าค่ะจึงไม่กลัวตายนเน่เก่งซะด้วย <c oughs> นี่่าถึงข้าวคราวอดดีอย่างนี้เขาจะ อ, อดดีไม่ใช่อดเลวในคนส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นมาชอบอดเลวกัน แต่วอวดเลวมันเป็นทุกข์อวดดีเป็นสุขเพราะว่าท่านมีดีจะอวดเสียงแห้งหน่อยในญะาติโยมวันนี้นะท่านปัญญาแลาะนาวิมา ล, ลามีความพึงพอพพระไทยในปัญญาของท่านมีทุลบัณฑิตอย่างเห็นได้ชัดปีธุรบัณฑิตยินดีทูลว่าบัดนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงจัด ก, การเรื่อง เนื้อหัวใจของข้าพเจ้าตามพระราชประสงค์เถิดแน่เอาคนแล้วทาแล้วสิแต่ถ้าว่ามีพระประสงค์จะฟังธทำนานกถาของข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าจะกล่าวทำถวายก่อนพระเจ้าค่ะเอาทีเอาอยากจะกินหัวใจก็เชิญกินแต่ยังไม่อยากกินหัวใจจะฟังเสียงก็ฟังก่อนจะพูดถวายนี่พูดก็ยังภาษาไทยแทย้แท ดูํำนวนของท่านต่อไปไพเราะมากไม่อยากจะแทรกท่านยินต่ถามว่าดูก่อนบัณฑิตเน่ยานาคพะพญานาคถามนะว่าปัญญานั่นแหละเป็นดวงใจของบัณฑิตทางหลายข้าพเจ้าทั้งสองยินดีมากในปัญญาของท่านจะยกนาฎิทันตีให้แกปุลนกยักษ์นะและก็ให้ ไปส่งท่านยังอินทรปัตนครในวันนี้ให้จงได้ฝ่าย <c oughs> ป, ปุณณกยักษ์มีใจขี้นบานด้วยปีติอย่างเต็มที่นะตอนนี้จะได้เมียนะเจนได้นางอธิษฐานตีสมความปรารถนาีินด้กลากก่าวกับท่านวิทุลบัณฑิตว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้ามากข้าเจ้าขอมอบแก้วมณีดวงนี้ให้แก่ท่าน และจะส่งท่านไปถึงเมืองอินตราปัตตนครในวันนี้ด้วยโ อ, โอ้แก้วมณีดวงนี้มันเป็นแก้วขมวเจ้าจักรพรรดินีลุงปุณลกัยักษ์แกเปมอบให้แกท่านพิทูรบัณฑิตะออบมาเป็นไรไม่เป็นไรพระวิทูรบัณฑิตถ้ายัางทรงชีวิตอยู่ก็เก็บไว้ถ้าตายเมื่อไรเขาก็กลับไปเก็บที่เดิมนะยักษ์ที่ไรสายเขาดันไปเก็บที่เดิม เมื่อท่านปุณละก็ยักว่าแล้วก็เชิญทั้งมิตรบัณฑิตขึ้นนั่งบนหลังม้าชาไนลงไปยังเมืองอินตราปัตตนาครทันทีเอาเอาก็ทาในเอง <c oughs> นี่ว่ากันมาเกือบตายนี่จะต้องต่ออะไรหรือป่ากก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะว่าไม่ได้ดูเรื่องว่าจะจบตรงไหนอา่านี่เดนจะจบกันง่ายๆเอาถ้าจบกันง่ายๆแบบนี้โอ้หรือนิดเดียวนะี่ยไม่ได้ดูข้างหน้าข้างหลัง เรียว่าเทพหน้านี้ก็หน้าคนจะต้องแถมอะไรตัวอะไรกันยุ่งไปอีกเพราะไม่เต็มหน้าเสียแล้วนี่ <c oughs> เป็นนั้นว่าในคืนวันนั้นตลอดรุ่งพระเจ้าธนันชัยโกรรพยะแห่งอินตราปัตนครทรงพระสุบินว่าเจ้ายักษ์นุ่งผ้าแดงทัดดอกไม้แดงต้นหนึ่งได้นำมาต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่บ้านนะนได้นำมาต้นไม้ต้นหนึ่งที่บ้านถอนเอาไปแล้วเอากลับมาคืนนะถอนต้นไม้ไปแล้วก็เอากลับมาคืนและก็ปลูกลงหน้าพระราชนิเวศเมื่อทรงพิจารณาดูแล้วก็ทรงสนิทฐานว่าต้นไม้ต้นนั้นก็คือวิทุระบัณฑิต แล้วก็เชื่อว่าวันนี้จะต้องมีคนนํามิธุรบัณฑิตมาส่งคืนให้เป็นแน่จึงได้อบสั่งให้บรรดับตกแต่งพระนคร <c oughs> จะแจงโรงธรรมสภาพเพื่อเป็นการตอนรับแล้วก็ทรงเสด็จสู่โรงธรรมสภาตรัสแกบรรดาประชาชนว่าท่านทั้งหลายท่านจะได้เห็นมิธุรบัณฑิตกลับมาในวันนี้แน่นอน ซึ่งในขณะนั้นท่านปุณณกยักษ์ก็ได้นำมิธุรบันดิตมาถึงประตูพอดีและมอบทมิทุรบันดิตเรียบร้อยแล้วท่านปุณณกยักษ์กับนาริทันตีก็กลับไปทันที <c oughs> ให้เวลาเหลือตั้งเยอะเป็นนั้นว่าพระราชาและบรรดาประชาชนต้อนรับด้วยความดีเป็นอย่างยิ่ง วิทุรบันดิตได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยตลอดทุกคนก็ฟังนความตื่นเต้นในที่สุดพระเจ้าธนันชัยรับสั่งให้ทําการฉลองต้อนรับเป็นเวลาหนึ่งเดือนโอ้โหและให้ปล่อยกับ น, นักโทษปล่อยสัตว์ทั้งสองเท้าสี่เท้าที่จองจำขังไว้ แล้บรรดาประชาชนทุกคนประสบกับความรื่นเริงสุขสมรานเบิกบานใจอย่างเต็มที่ตามสมควรอัิยาสัยของตนของตนสำหรับท่านวิทุระบันดิตได้สแสดงธรรมทานแกมหาชนและพระราชาตลอดมาจนสิ้นชีวิตแล้วต่างคนต่างก็ตายไปตามโยธากรรมอัปโพราะ น, นี้สุดเดีวก็ตายเรื่องนี้ท่านบอกว่าเก็บใหความมาจากวิทุร ชาดกการที่ท่าที่นี้ได้จาะในความนี้ความดีชนะความชั่วหลักแล้วก็มีหลักธรรมของท่าที่การประกอบอยู่ด้วย <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือเวลายเกือบจะยี่สิบนาทีจะต้องแถมกัน็จแล้ว <c oughs> ความจริงว่าและก็ไม่อยากจะแถมอ่ะมันเวลามันเหลือก็ต้องแถมในก่อนที่จะแถม ตามชาดกทั้งหลายเม่เวลาที่จบลงไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัาสันดาสมาสพุทธเจา้าก็จะต้องสรุปด้วยอริยสัจที่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ฟังแระว่าบางทีบัณฑิตนักปราชสมัยใหม่หเรียกว่านักปราชสมัยใหม่อ่านชานดกก็ดีอ่านพระ่องสก็ดี บางทีท่านก็ตําหนิว่าไม้เรื่องนี้ต่ําเกินเกินกว่าสมองของท่านสําหรับสมองของท่านต้องเรียนเฉพาะทำรรชั้นสูงที่เรียกกันว่าอาภิธรรมคําว่าอาภิธรรมนี่เป็นธรรมยิ่งยวดที่สูงสุดในคําสอนของพุทธศาสนา <c oughs> ทั <Es> <an> ้งน no ี้เพราะอะไรเพราว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมสัจสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมพุทธญาณแล้วองค์สมเด็จพระปฏิแก้วทรงปราบพระพุทธมารดาซึ่งทรงพระนามว่าสิริมหามายาราชเทวี เรว่าพระองค์อาศัยพระคันเของประมาณด่านนี้แต่ความจริงอาศัยมาไม่รู้กี่ชาตินานแต่ว่าเป็นชาติสุดท้ายนี้สมเด็จพระราชนานีแต่ว่าสมเด็จพระพุทธชนนีดีกว่าท่านต้องสวรรคตเมื่อพระองค์ทรงคอดจากพระคันได้เจ็ดวันถ <c oughs> ้าการอย่างนี้ปรากฏขึ้นบางท่านจะหาว่าลูกทำลายแม่ เดี๋ยวลูกมาเป็นพี่า่ขฆ่าแม่แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นทั้งกล่าวว่าคันใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบริมศาสนาสมมาพระพเจ้าทรงอาศัยเกิดคันนั้นไม่ควรที่สัตว์อื่นจะมาเกิดรวมโดยเฉยนั้นเมื่อพระองค์คลอดได้เจ็ดวันเะมารดา จ, จึงต้องสวรรคต ตายจากคนไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตถ้าจะถามว่าทําไมไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายก็เพราะว่าคันนั้นไม่ต้องการให้ใครมาเกิดใหม่ถ้าไปเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังมรรคผ่านในชาตินี้จะต้องกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ก็จะต้องมีโลกใหม่ แค่นั้นแท้เกิดเป็นผู้ชายลูกของผู้ชายไม่ได้อยู่ในคันของตัวไปอยู่ในคันของพันยาจึงหมดภาระที่ใครจะมาใครจะเข้ามาทับท้องใหม่ <c oughs> เป็นนั้นว่าในเมื่ อ, องค์สมเด็จไปจอมไตรคิดถึงคุณพระมารดาว่าเคยให้น้ำนมและข้าวป้อนมานับชาติไม่ทนไม่ใช่ชาติเดียว เวลานี้ทรงไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเป็นผู้มีความประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณยิงได้มาดำริ ว, ว่าโอ๋หนอเราจะขอสงเคราะห์คุณพมารดาแต่ว่าธรรมเทวสเดชนาที่สมมูลก็มีสามอย่างคือหนึ่งพระวินัย สองรสรพระสูตรพระสูตรที่เล่าเรื่องความเป็นมาของแต่ละคนที่ประพฤติปฏิบัติถือให้บรรดาแต่ผู้ถวาบริษัทธ์นำเอาไปประพฤติเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมและดีสามก็อภิธรรมทร <c oughs> งพิจารณาแล้วว่าธรรมสามขั้นนี้หนึ่งพระวินยัยท้องพระสูตรท้องสองพระสูตรสามอาภิธรรม อาวีธรรมนี้สองอย่างไม่คู่ควรกับคนของมารดาแต่อวิธรรมนี้คู่ควรอย่างยิ่งกับพระมารดาสมเด็จพ่อปรมศาสสะสันดาสมาสัพพิเจ้าจึงได้ไปเทศโปรดพระพุทธมารดาด้วยอาวีธรรมเจดัมพีใช้เวลาเทศนี้สามเดือนเต็มทั้งกลางคืนและกลางวันไม่มีเวลาพักผรอสามเดือนเท่ากับเก้าสิบวันของเมืองมนุษย์ แปลได้ว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช้เวลาหนึ่งร้อยปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันสวรรค์ชั้นดุสิตใช้เวลาสี่แปดร้อยปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันจากนั้นที่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาไปเทศโปรดพุะธรรมดาสามเดือนของมนุษย์ก็คงจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงของชั้นดุสิต อาจจะเป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงของชั้นดาวดิงก็ได้เนี่ยวิธรรมีค่าใหญ่บางท่านเห็นว่าการฟังพระสูตรก็ดีฟังชาดกก็ดีต่ำเกินไปแต่ว่าถ้าจะรู้จักใช้แล้วก็พระสูตรก็ดีชาดกก็ดีไม่ต่ำไม่ต่ำเพราะรอะไรเพราะว่าคนฟังเพลินดีได้เรื่องราวไปด้วยได้ข้อวัดปฏิบัตินั้นไปเสร็จ ถ้ามีความฉลาดการฟังพระสูทธ์ก็ไปนิพพานได้ <c oughs> ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเรานะสูงพอที่จะไปนิพพานแล้วหยัง <c oughs> ถ้ามีกําลังใจยังไม่เข้มแข็งมากฟังท้องเรื่องไปแล้วฟังข้อวัดปฏิบัติไปอย่างเรื่องวิธุรัณฑิตนี้มีข้อวัดปฏิบัติเพื่อความสุขในชาตินี้อยู่เยอะ และก็มีข้อวัดปฏิบัติเพื่อความสู่ในชาติหน้าอยู่มากแต่ก็ดูหนึ่งเหมือนว่าในท้องเรื่ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้ในข่าวนั้นแต่ว่าเรื่องที่ทรงตรัสนี้ไม่ใช่ร่างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสนาทรงร่างขึ้นมาเฉยๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง เป็นการเขียนนิยายสู่กันฟังไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อแท้จริงๆพระองค์แชวนาจปุเพนิวาสานุสติยานเป็นยานของพระพุทธเจ้าที่มีความแจ่มใสย้อนถอยหลังลงไปทั้งเรื่องเก่าๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านมาแล้วแต่ความจริงหนังสือที่เขาแปลนี่ที่ก็หน้าชสดาย ที่ตัดต้นเข้าก่อนเกินหายไปเสียคือไม่อาเหตุเข้ามาเขียนเข้าไว้เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตร์ตัดไว้ไม่ดีออยังไงก็ไม่ทราบ <c oughs> ตัดต้นเหตุไปความจริงพระบรมเจ้าจะทรงตัสชาญดกเรื่องอะไรก็ตามสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจะต้องปรารบเหตุปัจจุบันก่อนแล้วองค์สมเด็จพระจินนวรสิงจะตัดพระชาดก แต่นี่น่าเสียดายเขาตัดทิ้งไปก็ลเลยไม่รู้จะหาที่ไหนเหมือนกันหามันยากถ้าอยู่บนนอกคอกนาไม่มีเวลาจะหาในท้องเรื่องเอาวิถรระบิตถ้าฟังแล้วก็ยังไม่ถึงนิพพานแต่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ใกล้พระนิพพานมากฟังลงไปแล้วนะในถ้าฟังอย่างคนคิดฟังอย่างที่มีจิต ที่จะคิดได้ไม่ใช่ฟังแบบตุ๊กตาฟังถ <c oughs> ้าฟังแบบตุ๊กตาฟังฟังแล้วไม่รู้เรื่องที่นี้ท้องเรื่องของวิธยุรบัณฑิตบางตอนก็น่ารักมีแสดงความฉลาดออกมาชัดการโต้อตอบการสนองทำซิ่งกันอะกันเป็นเรื่องที่บรรดาท่ทานผู้รัดสินพวกมีความสนใจ ถ้ามีกําลังใจยังไม่ถึงอาัตรผลก็ควรจะนําไปประพุทธปฏิบัติถ้ามันมีความสุขนในชาติปัจจุบันเราสมปรายจะพบได้ถ้าหากว่าปรารถนาจะได้แบบอวิธรรมก็มีในตอนท้ายแต่ว่าตอนไทยเขาน้ําเสือที่นํามาใช้ท่านเขตัดทิ้งไปเหมือนกันเพื่อนั้นว่าเรื่องนี้น้ําสือเรื่มนี้ถ้าจะนํามาใช้ถ้าเป็นเรือ ก็ถูกตัดหัวแล้วก็ถูกตัดท้ายน่าเสนได้ย <c oughs> เป็นอันว่าจบพระสูตรลงอะไรก็ดีจบเรียกว่าจบชาดกอะไรก็ดีสมเด็จพระจินทร์สีก็ทรงยกอริยสัจขึ้นอริยสัจเนี่ยเป็นหัวใจของอริธรรมเพราอริธรรมทั้งหมดเมื่อเรียนไปก็เพื่อจะเข้าใจในอริยสัจเพราะว่าอริยสั เป็นธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นพระอรียเจา้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงติเจ้าสมฤติิเศษสัมมาสัมพุธิญาณก็พระอริย์สัตว์พระอรหันต์ทั้งหลายที่จะได้อรหันต์ก็เพราะอาริย์สัตว์สำหรับอวิธรรมนั้นสอนอ้อมๆเข้ามาคล้ายกับอวนที่ยวตีดักปลาลากมาแต่ไกลแล้วก็มารวมตัวกัน ข้าวเป็นถุงแล้วก็ยกขึ้นมาจับปลาที่ติดชั้นใดบรรดาพระวิธรรมที่สอนกันนั้นก็เหมือนกับอวนตีอ้อมเข้ามาเพื่อหาอริยสัตว์ <c oughs> นี่การหาอริยสัตว์ในท้องเรื่องนี้ควรจะหาแบบไหนอริยสัตว์ที่กล่าวว่าหนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกสามความดับทุกข สี่เหตุที่ทำให้ทุกข์ดับทุกตัวไหนที่เราจะเพึงเห็นก็คือว่าตัวท้องเรื่องทั้งหมดอย่างพญาน า, าคพญาครุฑพระอินหรือ ว, ว่าพระเจ้าโกรพยาธนันชายโกรพยาก็ดี <c oughs> วีธุระบัณฑิตก็ดีปุนญกยักษ์ก็ดีนาวิมาลาก็ดีนางริทันตีก็ดี ทั้งหมดนี้ที่แต่ทรงกายอยู่ท่านก็เป็นทุกข์ทุกข์ในการทรงตัวต้องทามาห้ากิ่นและมัดระวังในความรักระแวงระวัยสิ่งกันและกัน <c oughs> นี่แปลกายของความทุกข์ท่างเกิดมาท่า น, นรู้จักแก่ท่านรู้จักป่วยท่านรู้จักตายเวลานี้ท่านตายไปหมดแล้วไอตัวทุกตัวนี้มันมาจากไหนมาจากตัณหา ตัวที่นางวิมาลาไม่สบายใจอยากได้หัวใจวิทระมณิตไอตัวอยากนี่มันเป็นตัญหาสำหรับปุณล ก, ก็อยากอยากได้นางอริทันตีจึงได้ทรมานด้วยประการต่างๆทำให้ผิดระเบียบผิดศีลที่ทำถึงกับพิจเจฆ่าวิทระมณิตก็เพราะความอยากคือตัญหา แต่ต่อมาถ้ามีธุรมันติดตัดความอยากตัดตันหาของปุณณกยักษ์เสียได้ด้วยการอธิบายทำสี่ข้อมีความเข้าใจทัในใดขณะที่ตันหามันเข้ามาคลุมใจก็มีแต่ความทุกข์จะทําทุกอย่างดีก็ตามชั่วก็ตามให้ได้มาในของนิยตนต้องการเนี่ยทําพราะความโง่ตันหาเข้าที่ใจใครคนนั้นมันก็เกิดความโง่ ท่านวิทุรบันดิตอธิบายทำสี่ข้อทำให้ปุณักายคลายทันหาลงได้เลยไม่อยากได้นาะงอธิทันตีจะนำท่านาวิธุรบันดิตไปส่งที่เมืองอินทรปัดแต่ได้ว่าท่านบันดิตมีความต้องการจะโปรดสัตว์คือพญานาคและก็นางวิมารา ในที่สุดต้องไปโปรดได้นี่ระบรรดาท่านผู้บริษัทไอตัวอยากตัวนี้เกี่ยวด้วยตันหามันเป็นตันหาพ่าโง่ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแนะว่าการเกิดมานี่มันเป็นทุกทุกเพราะตันหาคือความอยากคืออยากที่ไม่ถูกต้องในทํานองครองธรรมการอยากมีสามีพันยามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่เป็นมีตันหาก็จริงแหล แต่ได้ว่าการอยากประเภทนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เกิดมาเป็นคนวันเดียวก็หาความสุขไม่ได้ในชีวิตมีชีวิตแค่ห้าสิบปีหกสิบปีร้อยปีร้อยปีเสร็จมันไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ทุกข์หิวทุกวันร้อนทุกวันหนาวทุกวันแล้วก็ มีการปลดอุจาระผัสสาวะทุวันมีอารมณ์ยุ่งทุวันมีกายงานทุกวันแก่ลงไปทุกวันป่วยมีเสมอในที่สุดก็ต้องตายกายการทุกขก์กระทั่งาอารมณ์ที่ไม่ไม่ชอบใจมันก็มีอยู่เสมอนี่แม่กายของความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราคิดว่าเป็นมนุษย์เป็นมีร่างกายมันดีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจีนสีทรงตรัสว่าร่างกายมันไม่ดี ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทุกข์ถ้าระยะตัดทุกข์เราต้องตัดตัณหา <c oughs> ที่ความอยากการตัดตัณหาตัดตรงไหนตัดด้วยกําลังของศีลของสมาธิของปัญญานี่เปริยสัตว์ที่เรียกว่าเรียมักจ่อดมาเป็นสามเรื่องดับแรกทําศีลให้บริสุทธิ์ทําสมาธิให้ทรงตัวจิตตั้งอยู่ในรนมของกุศลมั่นคง แล้วฉันปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ากลางมีการแตกสลายไปในที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวนาก็ดีพรหมคนดีไม่ใช่มีความสุขจริงเจนนั้นต้องการความสุขแล้วก็กต้องการคือพระนิพพาน <c oughs> นีการไปพุทธิพันธ์งำยังไงก็ทําอย่างนั้นแหละคือตัดโลภะความโลภในการให้ทานตัดโทสะความโกรธในการรักษาสินเพราะมีเมตตากรุณาตัดความหลงเพราะใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าอะไรมันสุขอะไรมันทุกข์ในที่สุดจิตใจก็ไม่ติดอยู่ในร่างกายของตนไม่ติดอยู่ในร่างกายของบากคนอื่นไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตาใุใด ในเมื่อมีร่างกายอยู่ก็บริหารตามหน้าที่ไม่อย่างนั้นจะทุกทรมานแต่ใจนี้นั้นไม่มีการผูกพันคิดว่าตายเมื่อไร่ก็เลิกกันมานั้นสิ่งที่ฉันต้องการคือพระนิพพานเป็นนวมว่าอารมณ์ที่จะถึงพระนิพพานนี้ก็ตัดตัวเดียวคือสกายาติฐิให้มีอารมณ์ชัดเห็นชัดว่าแรางกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราว่าถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงคําว่าตายมันก็ต้องไม่มีเพราะเราไม่อยากให้มันตายคําว่าแก่มันก็ต้องไม่มีเพราะไม่อยากให้มันแก่การป่วยไข้ไม่สบายมันก็ต้องไม่มีเพราะเราไม่ต้องการป่วยไข้ไม่สบายการซุดโทมของร่างกายบางคนก็ไม่มีเพราะเราไม่ต้องการซุดโทมมันต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอ แต่ว่านี่เราบังคับมันไม่ได้บังคับไม่ได้สแสดงว่าเขาไม่ได้ตกอยู่ในภายใต้อำ น, นาจของเราเราเท่านั้นที่ตกอยู่ภายใต้อำ น, นาจของเขาฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการเจ้านายที่มีความโลเลแบบนี้ที่หาความดีอะไรไม่ได้ทำกำลังใจตั้งไว้โดยเฉพาะคือไม่ปรารถนาอะไรทั้งหมดจิตงดจากความอยากเกิดเป็นมนุษย์ จากการเกิดปินชทวันดาหรือผมมีอารมณ์เข้าไปตัดการมชันทะโลภะพยาบาทและอวิชชาในที่สุดถ้ามีบา ร, รมีแก่กล้าทำเต็มกำลังใจเราก็ไปนิพพานได้ความจริงอวิธ ร, รมนาหลายมารวมอยู่ที่อริยสัจนิรันดรดาท่านพุทธบริสัท์ ฉะนั้นทำใดดีองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมัสสดาตรัสจะเป็นพระสูตรก็ดีวินัยก็ดีพิธามก็ดีสมเด็จปัญจนสีมุ่งให้บรรดาแต่พุทธบริษัทฟังแ ล, ล้วปานิพานถึงปานิพานเหมือนกันเวลาหรือหนึ่งนาทีพูดมาก็ให้เวลามันพอ ด, ดีตอนนี้พระ อ, องค์สมเด็จปัญจนสีบรมัสสด า, าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องนี้จบก็ทรงประชุมชาดก ทึากล่าวว่ามารดาของมีเอวิทุรบัณฑิตในสมัยนั้นเป็นใครก็ไม่ทราบอมีพ่อมีแม่นะก็มาเกิดเป็นพรนาศริมหามายาราชเทวีพระพุทธมารดาแล้วก็พัญญาคนใหญ่ของมีทุรบัณฑิตที่น่าโตรยล้อมีหลายคนก็มาเกิดเป็นพนางพิมพาราชเทวี สำหรับบุตรผู้ใหญ่ของวิทุลามณิตในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระราหุลพระนางวิมาลาในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระนางวอนวนาเทรีคนนี้เคยเป็นลูกของพระเจ้าสมัยเป็นกัญหาสำหรับพญานาคในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นภาษานีบพรพญครุฑสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระอนุรุต พระเจ้าทานันชัยโกรพยะสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระอานุ์สำหรับปุณณกะยักษ์สมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระฉนะันนะออกเทนี่โงนนะม่าชาในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระม้ากันถกะสำหรับอีทรูระบัณฑิตในสมัยนั้นอังเอวะมาเกิดเป็นตถาคต สำหรับบริวารทั้งหมดปรากฏว่ามาเกิดเป็นพุทธบริษัทในเวลานี้อารา บ, บันดาแทนพุทธบริษัททัหลายพระชุมชาดกเวลาก็หมดพอดีขอลาก่อนสําหรับคราวนี้นะในคราวต่อไปฟังเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี